กตาจันทกุมารชาดกที่เจ็พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิชกูดทรงปรารพพระเทวทัตรตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าพระราชาเป็นผู้มีกรรมอัญญาบชา้าราชาสิลุท ธ, ธกะกรัรมโมเรื่องของพระเทวทัตนั้นมาแล้วในสังคเพทกะขันทกะนั่นแหละ เรื่องนั้นนับจำเดิมแต่เวลาที่ท่านออกผนวดแล้วตราบเท่าถึงการสวรรคตของพระเจ้าพิมพิสารพึงทราบโดยในที่มาแล้วในที่นั้นนั่นเองฝ่ายพระเทวทัตครั้นให้ปลงพระชนชีพพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูทูลว่ามหาราชมโนรสของพระองค์ถึงที่สุดแล้ว ส่วนมโนรสของอาตมายังหาถึงที่สุดก่อนไม่พระราชาได้ทรงฟังดังนั้นจึงตรัสถามว่าท่านผู้เจริญก็มโนรสของท่านเป็นอย่างไรพระเทวทัตมหาราชเมื่อฆ่าพระทศพลแล้วอาตมาจาักเป็นพระพุทธเจ้ามิใช่หรือพระราชาตรัสถามว่า ก็ในเพราะเรื่องนี้เราควรจะทำอย่างไรเล่าพระเทวทัตมหาราชควรจะให้นายขมังธนูทั้งหลายประชุมกันพระราชาทรงรับว่าดีละท่านผู้เจริญจึงให้ประชุมนายขมังธนูจำพวกที่ยิงไม่ผิดพลาดรวมห้าร้อตระกูลทรงเลือกจากคนเหล่านั้นไว้ส1อดคนตรัสสั่งว่าพ่อทั้งหลาย พวกเจ้าจงทําตามคําสั่งของพระเทระแล้วส่งไปยังสํานักพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกผู้เป็นใหญ่ในบรรดาพวกนายขมังธนูเหล่านั้นมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณะโคดมประทับอยู่ณเขาคิชกูดเสด็จจงกรมอยู่ในที่พักกลางวันในที่โนูน้นส่วนท่านจงไปในที่นั้น ยิงพระสมณโคดมด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษให้สิ้นพระชนชีพแล้วจงกลับโดยทางชื่อโน้นพระเทวทัตนั้นครั้นส่งนายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นไปแล้วจึงพักนายขมังธนูไว้ในทางนั้นสองคนด้วยสั่งว่าจะมีบุรุษคนหนึ่งเดินทางมาโดยทางที่พวกท่านยืนอยู่พวกท่านจงปลงชีวิตบุรุษนั้นเสียแล้วกลับมาโดยทางโ น, น้น ในทางนั้นพระเทวทัตวางบุรุษไว้สี่คนด้วยสั่งว่าโดยทางที่พวกท่านยืนอยู่จกมีบุรุษเดินมาสองคนท่านจงปรงชีวิตบุรุษสองคนนั้นเสียแล้วกลับโดยทางชื่อนู้นในทางนั้นพระเทวทัตวางคนไว้แปดคนด้วยสั่งว่าโดยทางที่พวกท่านยืนอยู่จกมีบุรุษเดินมาสี่คน พวกท่านจงปรงชีวิตบุรุษทั้งสี่คนนั้นเสียแล้วกลับโดยทางชื่อโน้นในทางนั้นพระเทวทัตวางบุรุษไว้16คนด้วยสั่งว่าโดยทางที่พวกท่านยืนอยู่จกมีบุรุษเดินมา8ดคนพวกท่านจงปรงชีวิตบุรุษทั้ง8คนนั้นเสียแล้วจงกลับมาโดยทางชื่อโน้นถามว่าก็เพราะเหตุไรพระเทวทัตจึงทาอย่างนั้น ตอบว่าเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนได้ยินว่าพระเทวทัตได้ทำดังนั้นเพื่อจะปกปิดกรรมชั่วของตนลำดับนั้นนายขมังธนูผู้ใหญ่ขัดดาบแล้วทางข้างซ้ายผูกแร่้งและสอนไว้ข้างหลังจับธนูใหญ่ทำด้วยเขาแกะไปยังสานักพระตถาคตเจ้าจึงยกธนูขึ้นด้วยตั้งใจว่า เราจะยิงพระสมณโคดมจึงพาดลูกศรนน้าสายมาเพื่อจะยิงก็ไม่สามารถจะยิงไปได้พระศาสดาได้ทรงให้น้าธนูได้แต่ให้ยิงออกไปไม่ได้นายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นเมื่อยิงลูกศรไปก็ไม่ได้ลดสอนลงก็ไม่ได้จึงเป็นคนลำบากเพราะสีข้างทั้งสองเป็นเหมือนจะหักลง น้ำลายก็ไหล ย, ยืดออกจากปากร่างกายทั้งสิ้นเกิดแข็งกระด้างได้ถึงอาการเหมือนถูกเครื่องยนต์บีบนายขมังธนูนั้นถูกมรณะภัยคุกคามแล้วยืนอยู่ลำดับนั้นพระาศาสดาทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วทรงเปล่งเสียงอันไพเราะตรัสปลอบนายขมังธนูว่าบุรุษผู้โง่เขลาท่านอย่ากลัวเลย จงมาที่นี้เถิดในขณะนั้นนายขมังธนูก็ทิ้งอาวุธเสียรกราบลงด้วยศรีรษะแทบประบาดพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้กระทําผิดลงไปโดยที่เป็นคนเขา่าคนหลงคนชั่วบาปข้าพระพุทธเจ้ามิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาแล้ว เพื่อปรงพระชนชีพของพระองค์ตามคําเสียมสอนของพระเทวทัตผู้เป็นอันธพาลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงอดโทษข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระสุคตขอพระองค์จงทรงอดโทษข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งโลกขอพระองค์จงทรงอดโทษข้าพระพุทธเจ้า ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอดโทษให้ตนแล้วก็นั่งลงในที่สุดส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศสัจจะทั้งหลายยังนายขมังธนูให้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วตรัสสอนว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าเดินไปตามทางที่พระเทวทัตชี้ให้จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งนายขมังธนูนั้นไป ครั้นส่งนายขมังธนูไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ณโคนไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นเมื่อนายขมังธนูผู้ใหญ่ไม่ได้กลับมานายขมังธนูอีกสองคนที่คอยอยู่ก็คิดว่าทำไมหนาเขาจึงล่าช้าอยู่จึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายบังคมแล้ว นั่งนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาขั้นทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่ชนทั้งสองยังเขาให้ตั้งอยู่ในโสดาปติพลแล้วตรัสสอนว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตบอกจงไปโดยทางนี้แล้วก็ส่งเขาไปโดยอุบายนี้เมื่อทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย ยังนายขมังธนูแม่นอกนี้ที่มานั่งเฝ้าให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วก็ส่งส่งไปโดยทางอื่นลำดับนั้นนายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นกลับมาถึงก่อนก็เข้าไปหาพระเทวทัตกล่าวว่าข้าแต่พระเทวทัตผู้เจริญข้าพเจ้าหาได้อาจปรงพระชนชีพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ จงมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่นายขมังธนูเหล่านั้นแม้ทั้งหมดคิดว่าพวกเราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รอดชีวิตจึงออกบรรพชาในสำนักพระาศาสดาและบรรลุพระอรหันต์เรื่องนี้ได้ปรากฏในภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุ ได้ยินว่าพระเทวทัตได้กระทําความพยายามเพื่อจะปรงชีวิตชนเป็นอันมากเพราะจิตโกเวนในพระตถาคตเจ้าพระองค์เดียวแต่ชนเหล่านั้นอาศัยพระาศาสดาได้รอดชีวิตแล้วทั้งสิ้นป่ายพระาศาสดาเสด็จออกจากสีหไซยาได้ทรงสดับถ้อยคําของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระโสดาตอันเป็นทิพย์ สเสด็จมายังรงธรรมสภาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเพราะเราผู้เดียวเทวทัตก็กระทําความพยายามเพื่อจะฆ่าชนเป็นอันมากเพราะจิตมีเวรในเรา แล้วได้ทรงนิ่งเสียเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลวิงโวลจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายในอดีตการกรุงพาราณสีนี้ชื่อว่าเมืองปุพบวดีพระโอรสของพระเจ้าวสวดีทรงพระนามว่าเอกราชได้ครองราชสมบัติในเมืองนั้นพระเจ้โอรสของพระองค์ทรงพระนามว่า พระจันทกุมารได้ดํารงตําแหน่งเป็นอุปราชพราหมณ์ชื่อว่ากันฑาหาละได้เป็นปุโรหิตเขาถวายอนุาสา์ทั้งอัดและทำแด่พระราชาได้ยินว่าพระราชาครั้นทรงสดับว่ากันฑาหาละเป็นบัณฑิตก็ทรงให้ดํารงไว้ในตําแหน่งวินิจฉัยอัถคดีก็กันฑาหาละพราหมณ์นั้นเป็นคนมีจิตใจฝักไฟในศินบน ครั้นได้รับสินบนแล้วก็ตัดสินให้ผู้มิใช่เจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของมิให้เป็นเจ้าขอ ง, ขอ ง, ของครั้นภายหลังวันหนึ่งมีบุรุษผู้แพ้คดีคนหนึ่งโพนธนาด่าว่าอยู่ในที่เป็นที่วินิจฉัยอัถคดีครั้นออกมาภายนอกเห็นพระจันท ก, กุมารจะเสด็จมาสู่ที่เฝ้าพระราชาก็กราบลงแทบพระบาทแล้วร้องไห้ พระจันทกุมาร น, นั้นถามเขาว่าเรื่องอะไรกันบุรุษผู้เจริญเขาทูลว่ากันดหาละนี้โกงเขาในการตัดสินความถึงข้าพระองค์ก็ถูกกันดหาละรับสินบนแล้วทําให้ถึงความพ่ายแพ้ในอัตถคดีพระเจ้าค่าพระจันทกุมารตรัสปลอบว่าอย่ากลัวไปเลยแล้วก็ทรงพาบุรุษนั้น ไปสู่โรงเป็นที่วินิจฉัยอัตคดีกระทำผู้เป็นเจ้าของนั่นแหลให้เป็นเจ้าของผู้มิใช่เจ้าของให้เป็นผู้มิใช่เจ้าของมหาชนพากันแซ่ซ้องสาธุการด้วยเสียงอันดังพระราชาได้ทรงสดับเสียงนั้นจึงตรัสถามว่านั่นเสียงอะไรมีผู้ทูลว่าข้าแต่สมมติเทพได้ยินว่า พระจันทกุมารทรงตัดสินอัธถคดีแล้วโดยชอบธรรมเสียงนั้นคือเสียงสาธุการของมหาชนในที่นั้นพระราชาฟังเสียงนั้นแล้วก็เกิดปีติพระจันทกุมารเสด็จมาถวายบังคมพระราชบิดาแล้วก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับจันทกุมารว่าแน่ ä, พ่อได้ยินว่า เจ้าได้ตัดสินความเรื่องหนึ่งหรือพระจำทะ ก, กุมารทูลว่าข้าแต่สมมติเทพข้าพระบาทได้ตัดสินเรื่องหนึ่งพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าคนเดียวจงยังการตัดสินอัตกคดีให้ดำเนินไปเถิดแล้วทรงประธานหน้าที่วินิจฉัยอัตกคดีแก่พระกุมาร ผลประโยชน์ของกันดหาละพรามคาดหายไปเขาก็ผูกอาคาดเที่ยวคอยจับผิดในพระจันทกุมารตั้งแต่นั้นมาส่วนพระราชานั้นเป็นผู้มีปัญญาน้อยวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งได้ทรงสุบินเห็นปา น, นี้คือได้ทอดพระเนตรเห็นดาวดึงพิภพมีซุ้มประตูอันประดับแล้วมีกำแพงแล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการ มีหนทางใหญ่ลาดด้วยทายทองกว้างประมาณหกสิบโยต์ประดับไปด้วยเวชยันตะปราศาสสูงหนึ่งพันโยต์เป็นที่รื่นรมไปด้วยสวนมีนันทนวันเป็นต้นประกอบด้วยสะโบกครณีอันน่ายินดีมีนันทะโบกครณีเป็นต้นมีมูเทพเกลื่อนกลน นางเทพอับสนเป็นอันมากฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีอยู่ในเวชยันตะประศาสตรในดาวดึงพิพพนั้นพระราชาได้ทรงเห็นดังนั้นครั้นทรงตื่นบรรทมใครจะเสด็จไปสู่พิภพนั้นจึงทรงดำริว่าพรุ่งนี้ในเวลาที่อาจารย์กันดหาละมาเฝ้าเราจะถามถึงหนทางอันเป็นที่ไปยังเทวโลก แล้วเราจักไปสู่เทวโลกโดยทางที่อาจารย์บอกให้นั้นพระราชานั้นเสด็จสงสนานแต่ชาวตรูทรงนุ่งห่มพระภูษาสเสวยโภชนาหารอันมีรสเลิศต่างๆทรงไล่ทาเครื่องหอมแล้วเสด็จประทับนั่งส่วนกันดาหาละพลามอาบน้ำแต่ชาวตรูนุ่งผ้าบริโภคอาหารไล่ทาเครื่องหอม แล้ไปยังที่เฝ้าพระราชาเข้าไปยังพระราชนิเวศแล้วทูลถามถึงสุขสายาของพระราชาลำดับนั้นพระราชาประทานอาสนะแก่กันดาหาละลพรามนั่นแล้วจึงทรงถามปัญหาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าพระราชาพระนามว่าเอกราชเป็นผู้มีกรรมอันยับช้า อยู่ในพระนครปุกพวดีเท้าเธอตรัสถามกันดาหาละปุโรหิตผู้เป็นเผ่าพันพรามเป็นคนหลงว่าท่านพรามท่านเป็นผู้ฉลาดในธรรมวินัยขอจงบอกทางสวรรค์แก่เราเหมือนอย่าง น, นรชนทำบุญแล้วไปจากภบนี้สู่สุขติภพฉะนั้นเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าราชาสิพระราชา คัดคำเป็นราชาอาศิคำว่าเป็นผู้มีกรรมอัญญากช้าลุทธกะกรัรมโมได้แก่เป็นผู้มีกรรมอัญญาบช้าทารุณคำว่าทางสวรรค์สักคานมักคังได้แก่ทางไปสู่สวรรค์คำว่าผู้ฉลาดในธรรมวินยัยธรรมวินยกุสโลได้แก่เป็นผู้ฉลาดในธรรมอันสุดจริต และวินัยคือมารยาทด้วยคำว่ายะถาเหมือนนี้พระราชาตรัสถามว่าเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายทำบุญแล้วจากโลกนี้ไปสู่สุขติโดยประการใดขอท่านจงบอกทางไปสู่สุขตินั้นแก่เราโดยประการนั้นก็ปัญหานี้พระราชาควรจะถามกับพระสัพพัญยุพุทธเจ้า หรือภาษา v o ของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าเมื่อไม่ได้พระสัพพัญยูพุทธเจ้าหรือพระสาวกเหล่านั้นควรถามกับพระโพธิสัตว์แต่พระราชาทรงถามกับกับกนฑาหาละพราหมณ์ผู้เป็นอันธพาลผู้ไม่รู้อะไรอะไรเหมือนบุรุษผู้หลงทางเจ็ดวันไปถามบุรุษคนอื่นผู้หลงทางมาประมาณกึ่งเดือนกันดหาหะลพราหมณ์คิดว่า เวลานี้เป็นเวลาที่จะได้แก้แค้นปัจจามิตรของเราบัดนี้เราจะกระทำพระจันท ก, กุมารให้ถึงสิ้นชีวิตแล้วจะทำมโนรสของเราให้สำเร็จบริบูรณ์